ตอนที่หนึ่งปรัชญาพื้นฐานก่อนจะพูดถึงหลักการสอนและวิธีสอนสมควรกล่าวถึงปรัชญาที่เป็นพื้นฐานเสียก่อนเพราะหลักการสอนย่อมดําเนินไปจากจุดเริ่มตามแนวทางและสู่จุดหมายตามที่ปรัชญากาหนดให้อย่างไรก็ดีเมื่อมองในแง่ปรัชญาการศึกษา พุทธธรรมก็เป็นเรื่องกว้างขวางมากอีกเพราะพุทธธรรมทั้งหมดเป็นเรื่องของระบบการศึกษาระบบหนึ่งนั่นเองในที่นี้จึงของนำมากล่าวเฉพาะที่เกี่ยวกับการสอนแต่สั้นๆตามหลักพระพุทธศาสนาถือว่าในการดำรงชีวิตของมนุษย์นั้นความขัดข้องปรวนแปรความเดือดร้อนลำบากความเจ็บปวดความสูญเสียความพลัดพราก และปัญหาชีวิตต่างๆซึ่งทางพุทธศา ส, สนาเรียกรวมว่าความทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่มนุษย์จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องและได้ประสบแน่นอนไม่ว่ามนุษย์จะต้องการหรือไม่ต้องการจะยอมรับว่ามันมีอยู่หรือไม่ยอมรับหรือแม้จะเบือนหน้าหนีอย่างไรก็ตามเมื่อเป็นเช่นนี้หากมนุษย์ต้องการมีชีวิตอยู่อย่างดีที่สุดมนุษย์จะต้องยอมรับความจริงอันนี้ จะรับรู้สู้หน้าและพร้อมที่จะจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ดีที่สุดชีวิตที่เป็นอยู่อย่างดีและมีความสุขที่สุดคือชีวิตที่กล้ารับรู้ต่อปัญหาทุกอย่างตั้งทัศนคติที่ถูกต้องต่อปัญหาเหล่านั้นและจัดการแก้ไขด้วยวิธีที่ถูกต้องการหลีกเลี่ยงที่จะรับรู้ก็ดี การนึกวาดภาพให้เป็นอย่างที่ตนชอบก็ดีเป็นการปิดตาหรือหลอกตนเองไม่ช่วยให้พ้นจากความทุกข์ไม่เป็นการแก้ปัญหาและให้ได้พบความสุขอย่างแท้จริงอย่างน้อยก็เป็นการฝังเอาความกลัวซึ่งเป็นเชื้อแห่งความทุกข์เข้าไว้ในจิตใจอย่างลึกซึง้งด้วยเหตุนี้สิ่งที่พระพุทธศาสนาสอนเป็นข้อแรกก็คือความทุกข์ อันเป็นปัญหาที่มนุษย์พึงรับรู้และจัดการแก้ไขโดยถูกต้องและถือว่าภารกิจของพระพุทธศาสนาและระบบการศึกษาของพระพุทธศาสนาก็คือการช่วยมนุษย์ให้แก้ปัญหาของตนได้ความทุกข์ความเดือดร้อนและปัญหาชีวิตนานาประการของมนุษย์นั้นเกิดจากตัณหาคือความอยากความต้องการความเห็นแก่ตัว ซึ่งทำให้มนุษย์มีทัศนคติต่อสิ่งต่างๆเคลื่อนคลาดจากที่มันเป็นจริงและเป็นไปในรูปต่างๆกันตามระดับความอยากและความยึดของตนต่อสิ่งนั้นๆเมื่อมีทัศนคติที่เคลื่อนคลาดไปก็ทําให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในตนเองและความขัดแย้งระหว่างตนกับผู้อื่นและปฏิบัติหรือจัดการกับสิ่งนั้นๆด้วยอํานาจความอยากและความยึดของตน คือไม่จัดการตามที่มันควรจะเป็นโดยเหตุผลแท้ๆเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ย่อมเป็นการสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นเกิดความขัดข้องขัดแยง้งและความทุกข์ทั้งแก่ตนและผู้อื่นตามระดับของตัณหาและขอบเขตของเรื่องที่ปฏิบัติตัณหานั้นเกิดจากความไม่รู้ไม่เข้าใจไม่มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นมีทัศนคติ ต่อสิ่งทั้งหลายยังไม่ถูกต้องจึงเรียกว่าอาวิชชาจึงเป็นเหตุให้ไม่จัดการกับสิ่งนั้นๆตามที่มันควรจะเป็นโดยเหตุผลบริสุทธิ์การที่จะแก้ปัญหาหรือแก้ความทุกข์จึงต้องกำจัดอวิชชาสร้างวิชาให้เกิดขึ้นโดยในยานนี้ภารกิจสำคัญของการศึกษาก็คือการฝึกอบรมบุคคลให้พัฒนาปัญญา ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในข้อเท็จจริงและสภาวะของสิ่งทั้งหลายมีทัศนคติต่อสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้องปฏิบัติและจัดการกับสิ่งทั้งหลายตามที่ควรจะเป็นเพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์ตนคือความมีชีวิตอยู่อย่างสำเร็จผลดีที่สุดมีจิตใจเป็นอิสระมีสุขภาพจิตสมบูรณ์และประโยชน์ผู้อื่นคือสามารถช่วยสร้างสรรค์ประโยชน์สุข แกชนทั้งหลายที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคมได้จากข้อความที่กล่าวมามีข้อที่ควรกำหนดคือ 1. ภารกิจสำคัญของการศึกษาได้แก่การช่วยให้บุคคลเกิดทัศนคติที่ถูกต้องคือรู้จักมองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นและสามารถจัดการกับสิ่งเหล่านั้นตามที่ควรจะเป็น ให้เกิดเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและสังคมไม่ให้มองเห็นและจัดการสิ่งทั้งหลายตามอำนาจกิเลสตัณหา 2. ทัศนคติที่ถูกต้องและความสามารถจัดการดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาปัญญาและปัญญาเป็นความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล น, นั่นเองเท่านั้นผู้อื่นจะนำมายัดเยียดให หรือบังคับให้รับเข้าไว้ไม่ได้ 3. ในเมื่อปัญญาต้องเกิดจากความรู้ความเข้าใจที่พัฒนาขึ้นในตัวบุคคลเองภารกิจของผู้สอนและให้การศึกษาทั้งหลายจึงเป็นเพียงผู้ชี้นำทางหรืออำนวยโอกาสช่วยให้ผู้เรียนหรือผู้รับการศึกษาอบรมดำเนินเข้าสู่ปัญญา สิ่งที่ดีที่สุดที่ผู้สอนที่ดีจะทำได้ก็คือตั้งใจช่วยเหลือพยายามสรรหาอุบายกลวิธีและอุปกรณ์ต่างๆที่จะมาช่วยผู้เรียนให้เข้าถึงปัญญาอย่างได้ผลดีที่สุดอย่างที่สำนวนบาลีเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตร 4. โดยเหตุผลเดียวกันในระบบการศึกษาเช่นนี้ ผู้เรียนเป็นผู้มีบทบาทสําสคัญในฐานะเป็นผู้สร้างปัญญาให้เกิดแก่ตนจึงต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็นผู้ได้ลงมือกระทำให้มากที่สุดเท่าที่จะช่วยให้ตัวเขาเกิดปัญญานั้นขึ้นได้และโดยในยานี้ความสามารถความถนัดอุปนิสัยต่างๆของผู้เรียนจึงเป็นสิ่งที่ผู้สอนจะต้องคำนึงอย่างสาคัญ เพื่อจัดสภาพการเรียนและกลวิธีสอนต่างๆเป็นต้นให้ผู้เรียนเรียนยังได้ผลดีที่สุด 5. ในเมื่อปัญญาเป็นของยัดเยียดบังคับให้รับเอาไม่ได้การเรียนการสอนจึงต้องใช้วิธีการแห่งปัญญาคือผู้เรียนต้องเป็นอิสระในการใช้ความคิด และในการที่จะซักถามโต้ตอบสืบเสาะค้นหาความจริงต่างๆให้ได้รับความรู้ความเข้าใจขึ้นในตนในระบบการศึกษาแบบนี้จึงมีการปฏิบัติอย่างกาลามาสูตรไม่มีการบังคับให้เชื่อความเชื่อหรือศรัทธาในระบบการศึกษานี้หมายเพียงความเชื่อมั่นในหลักการวิธีการ และสมมุติฐานต่างๆที่ตนได้ตั้งขึ้นโดยมีเหตุผลเป็นฐานรองรับอย่างเพียงพอแล้วว่าจะนำให้ดำเนินไปสู่จุดหมายได้อย่างแท้จริงและเป็นสิ่งที่จะพิสูจน์ได้ต่อไปตามลำดับในระหว่างดำเนินไปสู่เป้าหมายนั้นวางเป็นข้อสรุปที่เกี่ยวกับการสอนดังนี้หนึ่ง ปัญญาเป็นสิ่งสร้างสารรค์ขึ้นภายในตัวผู้เรียนเอง 2. ผู้สอนทำหน้าที่เป็นกันลยาณมิตรช่วยชี้นำทางการเรียน 3. วิธีสอนอุบายและกลวิธีต่างๆเป็นสื่อหรือเป็นเครื่องผ่อนแรงการเรียนการสอน 4. อิสรภาพในทางความคิด เป็นอุปกรณ์สำคัญในการสร้างปัญญาอันหนึ่งโดยที่ปัญญาเป็นส่วนสำคัญยิ่งในระบบการศึกษานี้เช่นที่กล่าวมาแล้วจึงสมควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องปัญญาที่มักแปล ก, กันว่าความรู้ไว้เพื่อกันความสับสนสักเล็กน้อยความรู้ในที่นี้ควรแยกเป็นสองประเภทคือ หสุตะคือความรู้จากการสดับรับฟังหรือเล่าเรียนอ่านรับถ่ายทอดจากแหล่งความรู้ต่างๆการสังสมความรู้ประเภทนี้ไว้ได้มากเป็นฐานของพาหูสัจจะที่แปลว่าความเป็นพหูสูตรคือความเป็นผู้คงแก่เรียนหรือได้เรียนรู้มากสุตตะ เป็นความรู้ประเภทประมวลหรือรวบรวมสิ่งอันจะพึงรู้เป็นข้อมูลเป็นข้อรู้ทำตนให้เป็นคลังเก็บความรู้ซึ่งถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีของบุคคลอย่างหนึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับนำไปใช้ทำประโยชน์ต่างๆได้มากแต่ไม่ถือเป็นองค์ทำแกในระบบการศึกษา 2. ปัญญา คือความรู้ประเภทเข้าใจสภาวะรู้คิดรู้เลือกคัดวินิจฉัยแล้วรู้ที่จะจัดการเป็นความรู้ประเภทที่มุ่งหมายและเป็นส่วนสำคัญในระบบการศึกษานี้ปัญญานี้มีไวยพจน์มากมายไวยพจน์คือคำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมากปัญญานี้ มีไวยพธมากมายเช่นยานวิชาปริญญาปฏิสัมพิธาวิปัสนาสัมมาทิฐิเป็นต้นซึ่งแสดงถึงความหมายในแง่ต่างๆและขั้นต่างๆของปัญญานั่นเองสิ่งที่ควรทำความเข้าใจอีกอย่างหนึ่งได้แก่ลักษณะางานสอนซึ่งแตกต่างกันตามประเภทวิชา อาจแยกได้เป็นสองประเภทคือวิชาประเภทชี้แจงข้อเท็จจริงเช่นภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เป็นต้นการสอนวิชาประเภทนี้หลักสำคัญอยู่ที่ทำให้เกิดความเข้าใจในข้อเท็จจริงการสอนจึงมุ่งเพียงหาวิธีการให้ผู้เรียนเข้าใจตามที่สอนให้เกิดพาหุสัจจะเป็นใหญ่ส่วนวิชาอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวด้วยคุณค่าในทางความประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะวิชาศิลธรรมและจริยธรรมทั่วไปการสอนที่จะได้ผลดีนอกจากให้เกิดความเข้าใจแล้วจะต้องให้เกิดความรู้สึกมองเห็นคุณค่าและความสำคัญจนมีความเลื่อมใสศรัทธาที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติด้วยสำหรับวิชาประเภทนี้ผลสาเร็จยางหลังเป็นสิ่งสาคัญมาก และมักทำได้ยากกว่าผลสาเร็จอย่างแรกเพราะต้องการคุณสมบัติขององค์ประกอบในการสอนทุกส่วนนับแต่คุณสมบัติส่วนตัวของผู้สอนไปทีเดียวยิ่งในงานประดิษฐานพระศาสนาที่จะให้คนจำนวนมากยอมรับด้วยวิธีการแห่งปัญญาด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นเรื่องสำคัญมากฉะนั้นการพิจารณาหลักการสอนของพระพุทธเจ้า จึงจะเริ่มแต่คุณสมบัติของผู้สอนไปทีเดียว